ฟังทมกันสพคอจะเป็นผู้พูดให้ฟังพูดในเรื่องชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเราพวกเราคอยช่วย ก, กันมีพลังศรัทธามีความเพียนมีสติมีสมาธิมีปัญญา สร้างพลังขึ้นมามาช่วยกันมันเกิดการฉกเฉินคนหลงเลยหรือว่าเป็นการฉกเฉินวันที่จะคือกระตือหรือล่นเปิดละงครับไม่ให้เกิดความหลงอย่าเพิ่งเฉยเลยละแล้วก็เกิดความโกรธความโลภความทุกข์ เกิดการอิจฉาพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้ไม่ ว, ว่าฉุกเฉินก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตบางทีเป็นชีวิตพิษภัยต่อทรัพย์สินกระทบกระเทือนไปมากนะพวกเราอย่าเน้นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยความหลงที่เกิดขึ้นจากตัวเราเหมากับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านในเมืองก็รีบช่วยกันช่วยกันเยี่ยวยาบรรเทาให้เร่องที่หนักถ้ามันเป็นเบาขึ้นมาเป็นเรามาสร้างสติเนี่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันการที่จะเกิดฉุกเฉิดในชีวิตจิตใจของเรา สร้างความรู้สึกตัวเป็นแบบเป็นแผนมาไว้ค่ายๆกับป้องกันการป้องกันนี่มันดีกว่าการแก้ไขการแก้ไขนี่มันเป็นปลายเหตุแต่การป้องกันนี่คือว่าถูกต้องเรามาเจริญสติ เรามาสร้างศรัทธาสร้างความเพียรปลูกสติลงไปแต่มันแน่นหนะาก็จะป้องกันภัยอันตรายข้างลายมัอนโลกทวนนี้บางประเทศเขาสร้างระเบิดนิวเคลียร์สร้างอาวุธเคมีประเทศทั่วโลกเห็นว่ามันจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ชาติก็ ไปควบคุมตรวจสอบ <c oughs> ในใหจาว ก, ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยต่อี่จะไปไปคิดสร้างอย่างนั้นขึ้นมาอาศัยสมองอาศัยปัญญาเขโภโภมีปัญญาเรียนรู้ก็ทำได้ ออกนอกเรื่องไปแต่การปฏิบัติเนี่ยเป็นพุทธปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาต้นต่อของสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องไปใช้สตาวุธทุกชีวิตรับผิดชอบตัวเองมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวคอยดูแลเหมือนกับเลดา้าคอยตั้งขายวางขายเอาไว้ สติเนี่ยคอยดูแลมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในชีวิตของเราช่วยตัวเองช่วยคนอื่นบ้างเิดปัญหาที่ไหนที่ตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะตัวปฏิบัติเนี่ยตัวกายตัวใจของเรามักจะเกิดคล้ายๆกันก่อนที่มันจะเกิดเป็นอย่างอื่นมันก็ตั้งต้นเหมือนๆกันปเป็นความหงอ๋ะ หลงไปทางไหนหลงไปทางกายหลงไปทางจิตใจหลงไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจลูกลถกลิ่นเสียงพอเราไม่สติคอยดูแลอยูนะ่สิ่งที่มันจะหลงมันก็ไม่หลงแม้มันควรจะหลงมันก็ไม่หลงเพราะตัวลูกคุมอยู่วันเลดา้าอะไรที่ผ่านมามันรู้จัก คอยเไปแก้ไขตรวจสอบทักท้วงบอกเห็นเห็นกายมีสติเห็นกายมีสติเห็ น, หนจิตใจเรื่องของกายก็ไม่มากที่มันเกิดขึ้นกับกายล้ายอย่างเราเรียกว่าเวทนาบ่าเป็นสุขเป็นทุกข์บ่าความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความงงเหงนอนอน คาเลยสงสัยความคิดความพยาบาทอะไรต่างๆที่มันจ ะ, ะข้ามหน้าข้ามตาแบบป่าเถื่อนมันเป็นความเถื่อนมันไม่ชอบทำเลยไม่เหมือนกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นการชอบทำในโลกมันต้องปกติแบบนี้มนุษย์ สิชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ปกติอย่างนี้ทุกคนต้องการปกติอย่างนี้ระวัติศาสตร์ตัวนี้เป็นมาให้มันเห็นต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างดูแลตรวจสอบทัาท่องตัวเองสอนตัวเองอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโูกเท่าโูกทันอดพอที่จะล บ, ะลบกัลบของตะลงสนามสนามลบ พอหลบพอหลีกก็หลีกไปพอเจอลบก็ลบไปป่าไปปรามไปยึดไว้คองไว้คุมไว้ลองดูสักตัวเป็นอาวุธพอที่จะคุมคุมเชิงของอาธรรมทั้งหลาย เราต้อพยายามใช้ความรู้สึกตัวตัวเราก็ต้องสร้างสร้างให้มันมี <c oughs> ให้มันมีถ้ามีแล้วมันก็ใช้ได้นะไม่มีอะไรที่ใช่สนุกสนานมันก็ใช่สติใช่อื่นๆหยโอ้เป็นโทษเป็นภัยจิบหายว่าวายโวดก็มแต่การใช่สติเนี่ยรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะสนุก เป็นธรรมเป็นความชอบที่สุดการใช้สติการสาร้างสติเขาไม่อะไรประชันกัเถอะแต่ว่าเรามาสร้างสติให้มันมีอย่ให้มันจนเรื่องนี้เลยของเราดูฮะไม่แต่การเห็นสติเขาไปเห็นมันเห็นของจริงจริงแบบไม่จริงก็ไม่จริงแบบจริงก็มีมันก็มี มัน ย, ยังมีอยู่ในโลกเหมืนจริงแบบไม่จริงคนก็ทุกข์แบบจริงแบบไม่จริงคนก็สุขแบบจริงแบบไม่จริงนะคนก็โลกโกตรก็หลงแบบจริงแบบไม่จริงของที่ไม่จริงคนก็ยังยอมรับยมสาภาพเป็นทุกข์เป็นสุขกับเขาความจริงแบบไม่จริงความไม่เที่ยงมันจริงแบบไม่เที่ยง คามเป็นทุกข์มันจริงแบบเป็นทุกข์ความเป็นสุขมันจริงแบบเป็นสุขแต่มันไม่จริงโดยปรมรัติรย์เราก็ถูกหลอกต่อเพื่อือใช้วเวลาเราก็ไปหาความสุขความสุขก็วิ่งหนีเรากลั ว, วความทุกข์ความทุกข์ก็ว้วิ่งไล่ตามไปมันก็เหนื่อยจนตายไปหัวหาความสุขเบียดความทุกข์ ต่างคนต่างผักต่างใสไปให้ต้องการอแย่งเอาความสุขปฏิเสธความทุกข์ที่จริงมันไม่ตอบมาดูมาดูมาเห็นมันจริงแบบในจริงการเห็นนี่มันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่ปฏิเสธเพราะว่าที่เห็นเนี่ยไม่มีอะไรที่ เป็นอื่นไม่แต่เห็นเท่านั้นก็พอแล้วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความหลงเห็นความโกรธเท่านั้นก็พอแล้วไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใช่ไปชอบฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอกตัวปฏิบัติเก่งๆนะไม่ต้องเรื่องยาวเรื่องมากมันใช่ได้สั้นๆใช่ได้ถูกต้องเป๊ะตรงเลยทีเดียวเอาวาเห็นไหน ผลงานของสติสิ่งที่เรามีเราสร้างขึ้นมามันใช่ได้นะเห็นอะไรเห็นในเรื่องของชีวิตเรานี่แหละเหมือนกันทุกคนทุกลูกทุกนามยิ่งไปเห็นลูกเห็นนามแล้วยิ่งเห็นชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหมด เห็นความไม่เที่ยงก็เหมือนกันทั้งหมดเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมดหัว อ, อกอันเดียวกันนะมันจะต่างกันตรงเข้าไปแล้วครับเห็นความโกรธอาจจะไม่เหมือนกันพอปฏิบัติไปความโลภความหลงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ในสภาวะธรรมมันก็ยังมี แต่กรมโกรกกรมโกรคกรมหลงมันมันระ ง, งับได้มันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีนะแต่ว่าแต่หวงคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ต้องให้มันเป็นใหญ่เหมือนเนื้อมันงอกอยู่ในร่างกายของเราต้องให้มันคลองให้มันตายเป็นเรื่องเป็นราวไปแทนที่จะระ ง, งับหรือควบคุม ทำให้หมดไปเช่นหมอตรวจโรคพ็ษก่อนเมื่อที่จะกลายเป็นอะไรตัดออกมันก็หมดไปไม่มีอะไรที่มาทําให้เกิดการเป็นพิษเป็นไข่ต่อร่างกายของโรคของโกรธของหลงลมันเป็นกิเลสอย่างห ย, ยัาง เป็นของที่ออกก่อนมูหมดไปก่อนเขาตัวนี้นะถ้าเราไม่ผ่านตัวนี้นะเราก็จะป่านาสวรรค์นในผ่านก็เป็นไปได้ยากการปฏิบัติธรรมมันมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตรงนี้จริงๆรพอมีสติเห็นกายเห็นใจเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามนเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปสู่ แรงนักลกอย่างนี้เลยตกเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวมันสร้างความเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมเราต้องปล่าบไม่ใช่เราจะไปปราบมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนแสงสว่างกำจัดความมืดอย่างนี้นะมันเป็นไปตามธรรมชาติ เราเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปพอไปทำเขาจะเก่งโอ้มันเป็นไปทำรองนี้ในความรู้สึกตัวความหลงก็น้อยหลงน้อยลงความรู้สึกตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการที่เข้าไปเห็นสภาวธรรมต่างๆก็เปิดเผยมันเปิดออกให้เราผ่านได้ที่ทนั่นที่นี่มันเราเดิน ไปสถานที่ที่เป็นมีประตูแบบอะไรไม่รู้รีโมทอะไรไม่รู้มันเปิดได้อมันไม่ปิดเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับความรู้สึกตัวสิ่งที่ไม่รู้เขาเกิดความรู้ขึ้นมาเช่นเราไม่เคยเห็นความคิดเราไม่เคยเห็นกายเราไม่เคยเห็นเวทนาที่มันจะ ผให้เราเห็นชัดเจนเหมือนกับเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติก็ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นแค้งในกายไม่เคยเห็นแจ้งในเวทนาไม่เคยเห็นแจ้งในความคิดไม่เคยเห็นแจ้งในธรรมแต่พอเมื่อมามีสติมันเกิดการเห็นแจ้งอันนี้เห็นแจ้งจริงๆจนถ้าจะพูดก็พูดแบบพระพุทธเจ้าบอกสอนพวกเรากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตนตนเราเขา เห็นแจ้งไม่เละแต่ว่าการเห็นแจ้งไม่ใช่ทำผู้เห็นเวทน า, นาเหมือนกันเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาแต่มันเห็นแจ้งไม่เคยเห็นแต่ก่อนมันกบเกลือนปิดบังอัมพางเราอยู่ตายก็ทําให้หลงเวทนาก็ทําให้หลงความคิดจิตใจก็ทําให้หลงทำที่เกิดขึ้นเกับใจก็ทําให้หลงเป็นสุขเป็นทุกข์ วัดนี้มันไม่หลงแล้วมันเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งมันก็ผ่านได้ผ่านตลอดผ่านไปได้เลยสิ่งเล่านี้ก็ไม่ทําให้เกิดปัญหานี่คือตัวปฏิบัติปัญหาเรื่องกายปัญหาเรื่องเวทนาปัญหาเรื่องของความคิดปัญหาเรื่องธรรม ที่เป็นกุศลหรออกุศลละอกุศล ส, สร้างกุศลไปทันทีไม่มีการบ้านไม่มีอกุศลความโลภความโกรธความหลงไม่มีเมฆก็อกองงบอบบางเต็มทีไม่ถึงกับเป็นภาระมันเห็นแย่งไปตำหนินี่นะการเจริญสติพอสร้างสติไปจะอันนี่จะซึ่งหน้าเลยตรงหน้าเลยไม่มีใครที่จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะ เราก็ทําตรงๆอยู่แล้วยกมือส้างจังหวะเนี่ยมีสติเนี่ยยกนี่มีสตินะไม่ใช่ทำเฉยๆนะยกเกิดความรู้จึกตัวช้าก็ทำเอาเองไว้ก็ทำเอาเองบางทีมันไวมันคุมเกินไปเราก็ทําของเราชา้าใส่ความรู้สึกเข้าไปลึกซึ้งกับกายที่มันเคลื่อนไหวมันก็เกิดการเห็น เห็นกายตั้งฐานอยู่บนกายเหมือนกับยืนเพื่อจะจะดูอะไรดูวิวหรือเพื่อจะฝันเพื่อจ ะ, อะทําอะไรที่มันใช้น้าหนักจะได้ฐานที่ตั้งดูกายเหมือนกันที่มิตรเพื่อจะเป็นที่เกาะเพื่อจะสัมผัสกับอะไรที่มันจะต้องผ่านมา เราจะได้เห็นเห็นเวทนาเมื่อเห็นกายมันก็ต้องเห็นเวทนาเพราะมันมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้จนมันจบจบเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมมันก็ผ่านไปไปเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมาเข้า เข้าทางเข้าเส้นถ้าเป็นนักลบก็ยืดตายใคชนะไปเรื่อยๆใครชนะไปเรื่อยๆอะไรที่เห็นทับด้แล้วเห็นแล้วทำได้แล้วอ๋อยืดใดแล้วเข้าทางแล้วเบาลงแล้วสงบลงแล้วกายสงบแล้วเวทนาสงบแล้วความคิดก็สงบแล้วทำก็สงบลงแล้วเรียบแล้วแต่ก่อนโขขเพราะเรื่องอย่างนี้ กายก็ขู่ขะพอสมควรนะเวทนาก็ขู่ขะกระดุกกะติกกระทบ ก, กระเทือนเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เพราะกายเพราะเวทนาแันนี่มันสงบไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์มันเรียบลงแล้วพิษภัยแห่งภัยแห่งอาวุธสต้าอาวุธไม่มีตรวจแล้วปลอดภัยแล้วใช่ ไ, ได้แล้วเรียบไปเรียบไปเรียบไป ไปเห็นโลกเห็นนามไปเห็นโลกเห็นนามก็เหมือนกับยึดเมืองได้แล้วเปิดประตูเมืองแล้วถ้าเป็นนักโลกนาะสิ่งที่มันเถื่อนตายเป็นธรรมขึ้นมาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพิษไม่ไภัยขึ้นมาเพราะมันมันจึงมีชัยชนะมันจึง ล่วงพ้นพาร ะ, ะเก่านะปฏิบัติไปเข้าลูกเข้าลอยเข้าสมมติสู่ผลทำวันนี้จบลงอันนี้ทํา น, นี่จบตรงอันนี้มันมาให้ทําให้จบมันมาให้ทําให้เสร็จไม่ได้มาเพื่อเป็นการบ้านการบ้านเมื่อพระมาเพื่อทาให้มันผ่านเหมือนเราเรียนหนังสือเหมือนเรามีงานการมีงาน ทำให้ผ่านทำให้ผ่านไปแล้วจบไปแล้วมีฝีมือแล้วทำได้แล้วอย่างไหนที่เราทำได้อันมันยากเราทำให้ง่ายได้อันมันหนักเราทำให้เบาลงได้มันก็น่าภูมิใจความเป็นทุกข์เราทำให้มันหมดไปแล้วความมันหลงทำให้หมดไปแล้วความโกรธทำให้หมดไปแล้วมันก็ต้องมี มีอะไรที่มันพิเศษมันจึงมันจึงจะเรียกว่าเป็นพระเพราะมันชีวิตมันประเสริฐกลัวแต่เก่าความเป็นคราบมันประเสริฐมันทํำสิ่งที่หนักให้เบามันสิงทําสิ่งที่ยากให้ง่ายมันเป็นมันทําในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทําให้ไม่ทุกข์นะเนี่ยมันจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐ มันผ่านความยากมาผ่านความลำบากมาเหมือนพวกเราที่มีไอคีบทำงานสำเร็จด้วยความยากลำบากและผ่านมาความยากลำบากทำให้เรามมีความสง่าราศีถ้าใครไม่เคยผ่านความยากความลำบากมันก็ไม่มีอะไรสำเร็จนะการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมมันก็คือการาแก้ปัญหานั่นแหล <c oughs> ะเฉลยปัญหานั่นะกายมันก็เป็นปัญหาเวทนาเป็นปัญหาเราเคยหลงเรื่องกายเราเคยหลงเรื่องเวทนาเราเคยหลงเรื่องของความคิดเราเคยหลงในธรรมมาณลมเรื่องของกิจใจพอ เรามีสติมันเฉลยสิ่งเหล่านี้ได้มันเฉลยได้มันเป็นกอบเป็นกำรร ม, มันเป็นทางไปจนชำนิชำนาญในทางสายนี้ใน อ, อะไรที่มันสองข้างทางข้างหน้าข้างหลังสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเอาไว้หลังได้เอาไว้ข้างหลังแล้วผ่านแล้ว ผ่านได้แล้วในตัวปฏิบัติเป็นอย่างั้นมันพ้นไปก็ว่าพ้นไปคือมันผ่านเอาไว้หลังนะที่สุดก็คือวิมุตต์ความหลุดพ้นนี่แหละการปฏิบัติทำคนจะเอากุศลแลธรรมทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย ความวิตกกังวลเช้ามองทั้งหลายความอึดดัดขัดเครื่องทั้งหลายมันจะต้องมีทำมันจะต้องมีไปถึงถึงไหนกันพวกเราที่หลวงพ่อพูดทั้งเต๋ต้วนว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันต้องต้องช่วยกันเมื่อกับคนตายคนตายในบ้านถือว่าอุบัติเหตุต้องช่วยกันอช่วยกัน ทำสิ่งที่มันหนักให้มันเบาขึ้นมาช่วยกันเจ็บรักษาเอาไปเผาเอาไปฝังแต่มันเรียบราบเรียบร้อยไม่มีกลิ่นมีไอ่มันฉุกเฉินนั่งเฉยไม่ได้นอนไม่ได้ความโลคความโกรธความหลงความทุกข์ปานนั่นแหละถ้ามาดูแล้วคนัวลุกนะแต่คนเรายังเฉยเรื่องนี้อยู่ ยังไปโกรธให้คนเห็นได้ยังไปทุกข์ให้คนอื่นเห็นได้ยังไปหลงให้คนอื่นเห็นเห็นเขาหลงเห็นเขาโกรธเห็นเขาทุกข์เนี่ยมันหนักมันอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันตรงนี้เราจะไปช่วยกันตรงไห น, นี่ตัวปฏิบัติเราทำตัวเราเท่ากับกาช่วยคนอื่นการเราทำตัวเราเท่ากับเราช่วยพระพุทธศาสนาช่วยโลก อันนี้มันเป็นภัยของโลกความหลงของคนเรามนแทนที่มันจะหลงในตัวเราอย่างเดียวมันไม่ใช่มันไปกระทบกระเทือนสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นอีกมากมายทำให้พวกเราเดือดร้อนแม่ทุกวันนี้นะเราอยู่ให้เป็นสุขเพราะความหลงของคนไม่กี่คนนะอะไรๆต่างๆ เราไปไหนมาไหนเพราะความหลงของคนต้องระมัดระวังมากาเดินตามถนนหนทาง <c oughs> ทำการทำงานอะไรต่างๆและนี่ความหลงมันของโลกก็ว่าได้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิทธิ์ความหลงที่เกิดอยู่กับคนเนี่ยมันจึงเป็นอุบัติเหตุเป็นการฉุกเฉิน พอมาสร้างสติแนละ้วโอ้มันเป็นเรื่องน่าฉุกเฉินจรนะิงๆเห็นความคิดที่มันหลงเนะ่ะทูไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยรู้สึกตัวอยู่ดีๆรู้สึกตัวจะ่คิดขึ้นมาหลงปึ๊บไปแล้วอ้าวตกใจตกใจทันทีไม่เคยตกใจพวกความหลงของตนเองแต่ก่อนมันเฉยยิ่งเข้าไปหาความหลงเลย ควบปรงมความหงมามลงให้มันหลงม า, มากๆเช่นความโกรธก็ให้มันโกรธมากๆความรักก็ให้มันรักมากๆ ก, ก็จะให้มันถึงที่สุดในความโกรธ ถ, ถึงที่สุดในความรักถ้าถึงที่สุดมันก็หยุดของมันถ้าใทะเลาะกันว่าได้ดกไดถกได้เถียงได้ด่ากันเอาไปบ้าก็ด่ากันไปได้กี่ชั่วโงหรืหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกัน ปับันนี้พอเรา ม, ามีสติไม่เห็นความคิดที่มันหลงคิดเท่านั้นเองเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการปฏิบัติเฉยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเจอเราเป็นการฉุกเฉินเกิดขึ้นเจอเราต้องรีบด่วนมีสติรีบดวนรู้จึกตัวอรู้จึกตัวอมาเพราะมันต่างกันกับความหลงกับความรู้นะ้วความหลงน่ะต่างกันคนละโลกทีเดียวราจะเรียกว่าโลกก็ออ๋อ โลกุตละโลกิยะเห็นกระแสเห็นกระแสโลกุตละเห็นโลกิยะโลกที่สัตว์โลกคล้องอยู่ติดอยู่พอหลงมอง ก, กระเจีตรงนี้ปดตรงนี้ไปนะความรู้สึกตัวเป็นยังไไม่เฟื่อเฉยเลยละไม่ปล่อยให้ลอยนวลได้ควมหลง หลงเฉยไรู้ทันทีครับที่เกี่ยวข้องยิ่งไปโกรธไปทุกข์ลโอ้มันก็เป็นเรื่องหลงมากๆขึ้นไปอีกแบบมันไม่ถึงโน้นคนมีสติไม่ถึงกับไปโกรธไปถึงกับไปทุกข์นะคนมีสตินะ่าคนโกรธคนหลงคนทุกข์นั่นแสดงว่าขาดสติไม่ได้ขาดอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ไปว่าเขาเขาว่ากระโาเขาทํากระโลอ๋อ มันทำให้เราอย่างนั้นมันทาให้เราในไม่ไปถึงโน้นมันมาตรงที่ความหลงว่าจะไปโทษตอนทันทีมันโทษความหลงเป็นตัวกระทาเป็นตัวปฏิบัติลงไปแค่นี้มันก็เจอะไรทันทีไม่ไปโทษคนอื่นมันโทษตัวลงแลมีสติทันทีแกตรงนี้ปั๊บทันทีเลยทีเดียวอะ ไม่ต้องไปด่าไปทะเลาะวิวาสกับใครทะเลาะกับตัวเองเปลี่ยนตัวเองรู้สึกตัวมันจึงกล้าและมันจึงทำได้และปฏิบัติได้ด้วยถ้ า, ไ ป, ถา ไ, ไ, ไ, ไปห้ามคนอื่นมันทำไม่ได้มันไม่ใช่สัจธรรมไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาว่าเราไม่ให้เขาทำกับเราอย่างนั้นห้ามไม่ได้ในโลกเรียมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทุกคนมาทำตรงนี้ล่ะ ทุกคนก็ับผิดชอบตัวเองตรงนี้จึงจะถูกต้องแม้จะมีตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นสมมติปัญญาตแต่เป็นปรมัตทสัจจะซื้อตัวนี้ซือตัวรูปสึกตัวตัวนีนน้ก็พูดกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันเป็นประตูเข้าประตูออกเปิดออกก็เปิดตรงนี้แต่มันจะขัดขังเราก็ขังอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมันเรื่องมากดอก ของพ่อพูดตาเ น, นี่ยสามสิบกว่าปีก็พูดอยู่ตรงนี้แหละพราะเป็นทางผ่านตรงนี้มันจะตันก็ตันตรงนี้นะในตัวหลงตัวลู่นี่แหละเอาเอาลงไปพวกเราไม่มากไม่เหลือไว้ิสัยที่เราจะทําได้ทุกชีวิตทําได้เพราะมันมีอยู่กับเราเราเอาไม่ใช่มันนี่เราไม่ใช่เราไม่ใช่สิทธิของเราเป็นมันหลงเราไม่ใช่สิทธิที่จะต้องอากวามโลภมาใช่ มันทุกข์เราไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่ต้องไม่ให้มันเป็นทุกข์เราขยันตรงนี้สักหน่อยใส่ใจตรงนี้สักหน่อยนี่ตัวปฏิบัตินะถ้าไม่ทําตรงนี้ถ้าไม่ลงเวทีตรงนี้ถ้าไม่ลุกตรงนี้เราจะไม่อะไรเกิดตาทําไมกันอะไรที่เราควรจะทําแค่นี้เราทําไม่ได้จะไปทําอะไรเออข้อด้ามเหลวที่ตรงไหมเสียเวลา เอาเธอพวกเรามาเอาตรงนี้กันสร้างความรู้สึกตัวมาดูเลยรู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะความรู้ให้มันเด่นสร้างให้มันเด่นสร้างให้มันมีขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรที่จะไปทางไหนหรอกเราตั้งต้นอยู่ตรงนี้แหละจะผิดจะถูกจะไปจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้แหละ จะปล่อยต้ปล่อยต้องนี้หรืจะเปิดออกจะใสไขกคนแจ๊ะแจ๊ะโซ่ก็เ อ, เอาต้องนี้และจะเปงงเหมือนลื่นมันหลวงปู่เทียนบอกว่าคญแจเมื่อมันติดแล่ะต้องมีลูกของมันเปิดป๊อปมันก็ออกกันเอแล้วการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกเอกเปิดเผยชีวิตของเราเปิดออกมา ใช่ลงไปใช่ลงไปอย่าให้ขาดตรงนี้อย่าให้ขาดแทนตรงนี้หัดลูกเอาไว้หัดลูกเอาไว้ถือไวให้เป็นสมบัติของเราจริงๆความรู้สึกตัวนะถ้าไม่แช่นั้นความหลงมันจะมาครองชีวิตรเราต้องสร้างความรู้สึกตัวให้เป็นสมบัติของเราเอาไว้ตรงนี้แหละ จะพูดเรื่องมากเรื่องผลเรื่องวิธีนั่นความพ้นความยานไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนั่นมันไม่ต้องพูดถ้าเรามาทำตรงนี้เราพูดตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพูดให้ฟังเป็นเรื่องของเราพูดออกมาแม้บางทีมันไม่มีคำพูดต้องปิดปากต้องเงียบไปเลยมันไม่มีอะไระตัวปฏิบัติธรรมนะ่ะก็เห็นในสิ่งที่มันไม่มีนั่นแหละ ไม่ใช่เห็นในสิ่งที่มันมีจะไปเอาเนหะ็นในสิ่งที่มันไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีดอกความทุกข์มันก็ไม่มีดูสิ่งที่มันไม่มีอะไรเป็นอะไรเราก็อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นเรปลอดภัยที่สุดเราเห็นในสิ่งที่มันไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มันไม่มี เป็นความโกรธมันมีตรงไหนมันไม่มีความโกรธความทุกข์มันมีที่ตรงไหนมันไม่มีใครเห็นความทุกข์บ้างเอาเป็นตุ้นเป็นก้อนไหมมันไม่มีมันมาให้เราเป็นทุกขเฉยๆความสุขมันมีอยู่ที่ไหนมันไม่มีมันไม่มีอะไรเห็นมันเท่านั้นเองไปเห็นมาดูนี่มันจะไปดูอะไรจะไปเอาอะไร พอสร้างสติปั๊บก็จะเกิดการเห็นตับซึ่งตะเพือไปนี่ตัวปฏิบัติล้วนล้วนวิปัสสนาล้วนล้นไม่ต้องไปท่องไปจำให้มันเห็นเอาเองเช่นเห็นกายเนี่ก็เห็นแล้วเห็นเวทนาเห็นแล้วเห็นความคิดก็เห็นแล้วเห็นธรรมก็เห็นแล้วเห็นลูกเห็นน้ำเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมอันเดียวอันเห็นอันเดียวตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆท่ามกลางไรที่สุด เห็นไปเรื่อยๆไนพระพุทธเจ้าก็พูดแต่เรื่องขบว่าเห็นเห็นทุกเห็นความดับทุกแล้วดับทุกได้เห็นมรเห็นผลเห็นโูกธรรมเห็นนามธรรมเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นขัดข้าเห็นโูกเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นอุปทานเห็นภพเห็นชาติ เห็นฉลาโมลนะเห็นโสกับริเทวทุกโทมานตุปสัยญาติเป็นการเกิดการดับของน้ำของน้ำมลูกโอ้มันเกิดทียิบเลยน้ำมลุกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นคนี้เจอก็จบกันเลยนะจบกันแล้วไม่มีอะไรที่ทําให้เห็นเห็นก่อนเก่านั่นแหละเห็นไปเห็นมามันก็ไม่มีค่าไม่เหมือน ตาเห็นลูกนะการเห็นสติปัญญาที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นแจ้งนะยั่เห็นแบบอุปทานมันเห็นแจ้งนะเห็นผิดเห็นถูกมันทำอะไรคำว่าเห็นผิดคําว่าเห็นถูกหน้าที่มันก็ทําไปแล้วเห็นผิดมันก็แก้ความผิดเห็นถูกมันก็ทําความถูกทําให้มันถูก ไม่ใช่แปลความถูกเห็นทุกมันก็ทําให้ไม่ทุกเห็นความสุขมันก็ทําให้ไม่สุขแต่ว่าที่เห็นน่ยอันเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยตัวยานตัวฌานมันเป็นอย่างนี้นี่แต่ไม่ให้มันไม่มีธาตุจบเรียกว่ายานปล่อยปพ้นไ ป, นไ ป, นไ ป, นไปที่สุดก็คือวิมุตต์วิมุตต์คือพ้นไปพ้นจาความสุขพ้นจาความทุกข์พ้ น, พ น, ท, พนทุกอย่างสวรรค์ไม่มุดพ้นแล้ว หวันอาจารย์พระธาตุาพ้นแล้วเอ้ยโลกลถของโลกพ้นแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราพ้นแล้วพอเห็นเนี่ยมันก็พ้นไปพ้นไปพ้นไปมันขนส่งเราไปเองภาวะที่เห็นเนี่ยเราก็นั่งอยู่สุกโตนี่แหละนั่งอยู่บ้านอยู่เรือนของเรานี่แหละแต่ภาวะที่เห็นเนี่ยมันยานมันยานขนส่งไม่ไม่ทั้งยาน อ่าล่วงรู้ไม่ทั้งยานขนส่งเกิดขึ้นแล้วแจ่เราวนันเราสวดธรรมจากยานเกิดขึ้นแล้วแจ่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแจ่เรามันเป็นทั้งยานทั้งฌานทั้งขนส่งพ่นไปพ่นไปพ่นไปพ่นไปอจนไกลจากข้าศึกนะ เราก็พูดกันแต่เรื่องอย่างนี้แหละเราก็ทำแต่เรื่องอย่างนี้แหละเห็นก็เห็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปเห็นอะไรทำแค่นี้หรือก็ทาแค่นี้แหละรู้จึกตัวเลืยไปอังต้นของความรู้จึกตัวทำกลางก็คือรู้จึกตัวที่สุดก็คือความรู้จึกตัวความรู้จึกตัวอันต้นความรู้จักตัวอันกลางความรู้จึกตัวอันที่สุดมันถูกพัฒนาไปถูกพัฒนาไปถูกพัฒนาไปจนอ่า มีคุณภาพจากอันของเก่าไม่มีคุณภาพเราใช่จนเกิดคุณภาพเหมอนเราใช่ปากกาใช่ดินสอเดแล้วเขเขียนหนังสือไม่ค่อยงามเขียนปากกาอันเก่าเอาไป ม, ามันก็งามว่าสวยถ้าเขียนภาพจิตรกรเขียนปูกันอันเก่ากระดาษก็อันเก่าแต่เขาเขียนไปกงามกก่าเของเถื่อนเก่ามันถูกพัฒนา ความรู้สึกตัวถูกพัฒนาไปเรื่อยๆถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานมันเย็นเพราะความรู้สึกตัวมันไม่ทุกข์พความรู้สึกตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอความรู้สึกตัวมันไปอย่างนั้นนะความรู้สึกตัวมันไม่ใช่มาสร้างอยู่ตรงนี้นะมันยกมือเคลื่อนไหวไปมาเป็นการเริ่มต้ น, นขอให้ทำให้มากๆไปเรื่อยๆไปนะ ก็พูดกันอย่างนี้นะ ท, ทุกวันทุกวันตอนเช้าตอนเย็นพวกเราก็ไปเพื่อนมีเมต่าน่าอุ่นใจวันก็มีคนหมอกำหนดไปพูดให้พวกเราฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งในเรื่องของการปฏิบัติสำหรับพวกเราวันนี้ก็เห็นสมควรใช้เวลาก่อกาบพระพร้อมกัน ระหุตมะสัมปตโวภะคะวะรูทังภะคะวันตังอริวาเทวะกัตโตภะคะวะจาตโมธรรมนามาตถสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกทั้งหัวธรรมนามา